เป็นสติธรรมดาไม่ใช่เป็นสติปัฐานสติธรรมดาอะไรก็มีสติเหมือนกันแจ้งกวง้างนกหนูสัตว์เดือดฉานเขก็มีสติเหมือนกันอันนั้นเป็นสติธรรมชาติธรรมชาติญานของสัตว์สติปัฐานคือออกไปดูมาดูกายดูทําไมก็หลักไปอยู่ตรงนี้เห็นกายกายเป็นสภาวะเราหลงอะไรบ้าง